อสตูน่ารัลลัลลิอั ولما آ ت ا ه نود يا موسى <تصفيق> <تصفيق> إني أنا ربك فخلع عليك <تصفيق> อ ك นนากับิลวะด ا ل มุกดดซิบุอาบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و ا ل م س ل س ي ن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ا ل ل ه h u m m a bika أصبحنا و بika أمسينا و بika نحيا و بika نموت وإلا كن نشور a l l a h u أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك و وعديك مستطاع أبوؤلك ب ن ِ ع م ت ك ف ف ت. إ أ ع, ك ع ك ل الل ي ّ وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ้อยด้วยุ้ย ا ้ยหล้าห ب วรับและวิบิลิสลาเ م ดี ل และวิบิมู ب ัมหมัดรัส س ละอัล ا ل ฮุมไ ع อินนี่อาง ب บุคค์มินัลคัสล์ ل ล ب ر ิสูร์อิลคิบารีรับและวิอังุบ ท่านพี่น้นองที่ร่วมนมาะเยาะมะเวลาซุบฮ์หรือเวลาฟัจรัรที่รักทั้งหลายกับลฮัมดุลิลละขอบคุณ Allah s u b h a n a h ว wa taala ที่ Allah ให้เราได้ตื่นมาทานอาหารสะฮุรแล้วก็ให้เราได้นมาะรวมกันกับเยาะมะและ ได้มีโอกาสได้นั่งรับฟัง <c oughs> เรียนรู้เรืร่องของอัลกุรอานนะครับวันนี้เราทบทวนกุรอานมาถึงสูราะต่อฮาเพราะในคำพิวกุรอานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สราะนะครับสูราะต่อฮาเนี่ยเป็นสูราะที่ยี่สิบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราได้ทบทวนตั้งแต่อายะที่หนึ่งมาถึงอายะที่ที่หกนะครับความจริงเรื่องสัยนาอุมัดรอยัลลอฮฺันูเนี่ยรับนับถือาศาสนาอลอิสลามเมื่อท่านได้อ่านกุราอานอายะสูรนี้แหละเพียงแดอายะเท่านั้นเอง ตั้งแต่อายาที่หนึ่งถึงอายาที่แปดเนี่ยไซนาโอมัดเนี่ยพอพออะไรแหละพออ่านจบแล้วเนี่ยพออ่านจบแล้วนะในใจของท่านเนี่ยมันนึกท่านบอกว่าท่านอุทานบอกว่าช่างไพเราะจับใจอะไรอย่างนี้ อ่านแค่แปดอายาน่ยตั้งแต่อายาที่หนึ่งถึงอายาที่แปดเนี่ยท่านอุทานออกมาบอกว่ากุรานนี่ช่างไภัเร้อช่างจับใจอะไรเสียนี้กับอะไรเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยครูที่เข้าที่มาสอนน้องสาวของท่านเนี่ยแล้วก็ครูคนนี้ชื่อท่านขอบแบบได้แอบซ่อนอยู่ในห้องอีห้องหนึ่งตอนไซนาอุมาดเข้าบ้าน เราก็ไปจัดการกับน้องเขยเราก็จัดการกับน้องสาวเสร็จแล้วพออ่านคุรานจบหลังจะไปอาบน้ํามาก่อนนะอาบน้ำมาแล้วก็มาจับคุรานแล้วก็มาอ่านว่าอย่างไงนะช่างไพเราะจับใจอะไรเหลือเกินท่านขบ้าบได้ยินอย่างนี้ปั๊บเลยออกมาพูดบอกว่าขอชันขอสาบานต่ออัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงเลือกท่านให้รับนับถือาศาสนาอิสลามแล้ว จากภาษาที่พูดนี่แหละช่างไพเราะจับใจอะไรอย่างนี้พี่น้องครับเพราะว่าอย่างนี้ชวนไปหาท่านนาบีสลุลต่านลมเลยนะครับชวนไปหาท่านนาบีเลยท่านนาบีกำลังนั่งประชุมอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพอัยนาอุมัดเนี่ยไปเคาะประตูเนี่ยก็มีชายสวาวบ้านนบีคนหนึ่งแอบดู ก็ไปรายงานให้ท่านนบีด้วยความกลัวว่าไซนาอุมัดมาแล้วมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้นานนบีมุฮัมมัดบอกว่าเชิญเปิดเลยพอเปิดไปภาพไซนาอุมัดกล่าวคำแรกก็คืออ ش ลล ب ล ن محمد ا ل ั س و ل ا ل ل ันี่คือบุคคลที่รับนับถือศาสนาอิสลาม อิสลามไม่ได้เคยเอาดาบไปจาะค อ, อใครอารับอิสลามนะถ้าไมรับระชันจะจัดการคุณแทนคอคุณให้ตายไม่มีครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วันท่านฮามซาซึ่งเป็นลุงของท่านนบีก็รับนับถืออัลอิสลามวันที่ไซนาอุมารับนับถืออัลอิสลามรูไมอายุเท่าไร่สิบเจดปีกําลังแข็งแรงเลยเป็นหนุ่ม ยี่สิบเจ็ดปีบรรลาวกำลังกำลังเมาแต่ทำดูแลคนสมัยก่อนก็เมาเหมือนกันนะแต่เมื่อหัวใจที่รักอิสลามรักอ AH ัลลอฮ์ละฮัมดูลิละมารับนับถืออัลอิสลามทีนี้อายะแรกอายะแรกนะครับมาอันซัลนาอะัยกัลคุรอานลิตัชกอ มาอัญเชิน่ะอ่านอิ oh ัลกุรานะลิทัสกแปลว่าอะไรนะเราไม่ได้ประทาอัลกุรอานให้แก่นบีมุ h ัมมัดนั้นเพื่อความยากลำบากสาเหตุที่ลงอายานันี้อายันแรกเราทบทวนนิดนึงนะก็เพราะว่ามีคนมุชริกินกาฟิรินมุนาฟิกินยาฮูดีนันสรลนีห้ากลุ่มเนี่ยใหญ่ๆเนี่ย อยู่รอบนบีทั้งหมดคอยจับตาดูว่ามุฮัมมัดและมุสลิมทําอะไรก็อยู่นบีเนี่ยเมื่อรับอัลกุรอานมาใหม่ๆเนี่ยนบีกลัวจะลืมก็อ่านที่อา่อานอ่านท่องอ่ะนะอ่านด้วยท่องด้วยอ่านด้วยแต่า ก, การอ่านของนบีเนี่ยอ่านแบบไหนรู้ไหมยืนยืนแล้วก็อา่านมาถึงยืนนมาแล้วก็อา่านบางทียืนทั้งคืนจนกระทั่งเท้าบวม คอนา บ, บีเท้ทาวบวมมารู้ข้างนอกหมดเลยอันนี้มันจ้องอยู่แล้วเนี่ยจะจับผิดโอ้โหอิสลามเนี่ยทำไมอ่ะหมอมัดท้าวบวมบอกว่ไปคุยตลาดไปคุยที่ร้านกาแฟเมื่อนน บ, บีได้ยินน บ, บีก็เสียใจนะอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาใขิตันยิบรีนลงมาบอกว่ามาอันซ์ล์น่าอัลเลาะกัลกุรอาน่ลิตัชกอ เราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดเพื่อสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอ่านกุรอานเพราะกุรอานมาลรายืนอยูทางท้าบวบมเนะ่เป้าหมายมันะอยู่ตรงนั้นเป้าหมายที่อัลลอประทานอัลกุรอานลงมาอายะที่สองอิลลัตัดกิรอตัลลิมัยยักชะให้อัลกุรอานลงมาเพื่อเตือน ใจเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจเตือนใจใครละ่ะลิมายักษ์ชาสำหรับคนที่กลัวอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาละคัมภีอัลกุรอานเนี่ยเป็นข้อเตือนใจคัมภีกุรอานเป็นข้อเตือนใจนะรู้ไหมเตือนเรื่องอะไรอ่ะเตือนให้นึกคนที่อา่านกุรอานนี่นะ ถ้าอ่านด้วยความตั้งใจกุณอ่านจะเตือนให้คนอา่านกุณอ่านนึกถึงโลกอาคีรัตคุณอ่านเนี่ยนะครับจะสอนคนเตือนคนให้คนนึกถึงโลกอาคีรัตเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดถึงโลกอาคีรัตเพราทํางานดุญญลยเดียมันเพลินใช่ไม่มอยู่กับพายาก็าเพลินอยู่กับค้าขายเจอตลาดเพลิน อยู่กัขายเนื้อก็เพลินอยู่กับขายปลาก็เพลินเพลินโมดแหละยิงใจสตังอะ่ะขายทียัง80ดสิบร้ยอโอ้โหคนซื้อเพลินมีใครนึกถึงโลกอาคีรอไหมไม่มีฉะนั้นกุรอานนี้เป็นคำภีเล่มเดียวที่เตือนคนอ่านกุณอ่านให้นึกถึงโลกอาคเราอให้นึกถึงชีวิตหลังตายให้นึกถึงชีวิตวันฟื้นคืนชีพให้นึกถึงชีวิตตอนยืนอยู่ทุ่งมัสชัท และนึกถึงนรกและสวรรค์และข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับเอาวันนี้เรามาดูอายะที่เจ็ดนะครับว่าอินตาจฮรบิลกาวลิฟอินนหูยาลมุสซิรอวะอัฟฟา วันทจะเจ هر بالقول فإنّه يعلم السراء أخرأ อายานี้ต้องการจะอธิบายคุณลักษณะของ Allah นะครับต้องการจะอธิบายอะไรนะคุณลักษณะของ Allah Allah ALL AH. มีสิฟงศแบบหรครับดีกว่ามนุษย์สิ่งศันี้ยิ่งใหญ่มากนะ ว่าอินตาจฮาร์บิลกาวลีถ้าหาผู้อ่านอัลกุรอานหรือผู้ฟังอัลกุรอานนะครับกล่าวคำดังๆังตาจฮัดแปลว่าพูดดังๆหรือว่ากล่าวคำดังๆบิลกาวลิอัลกาวแปลว่าคำพูดนะแปลว่าเวิร์ด์นะท่านจะพูดออกมาเป็นคำดังๆพระองค์ยะละมุสซิร พระ อ, องค์ทรงทรู้ฟาอินนาหูยา่าลำอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับฟาอินนาหูยาลำอลัลลอฮ์ทรงรู้อัสซิ ร, ระนะครับแม้ความคิดของเขาจะเป็นเรื่องซ่อนเร้นก็าตามเอาเอาเอ า, เอาไม่ใช่คำพูดนะเอาความคิดของเขาที่อยู่ในสมอ ง, ของเขานะ่ะคิดเรื่องอะไรนะอลัลลอฮ์รู้แหละเนี่ย เ, เรียกว่ายาลำอุสซิ ร, ร นี่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์มนุษย์ไม่รู้มนุษย์เนี่ยไม่รู้อัลลอฮ์ภรรยาอยู่กับเราเนี่ยคิดอะไรยังไม่รู้เลยแต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่เรื่องลับๆที่อยู่ในสมองของเราอยู่ในความคิดของเราอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ Allah, ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับยิ่งความลับที่อยู่ในใจนะพี่น้องอัลซิรอ้อหมายถึงความลับที่อยู่ในใจ ยังไม่ได้บอกให้ใครรู้เขาเรียกว่าอัศิลความลับที่อยู่ในสมองความลับที่อยู่ในใจและยังไม่ได้บอกให้ใครรู้นะอัลลอฮ์รู้แล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้ทนถ้าหากเราเข้าใจซิ่งฝาดของอัลลอฮ์นะถ้าเข้าใจซิ่งฝาดของอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์แล้วก็ไม่กล้าทําผิดและไม่กล้าทําบาปด้วยเพราะ เรายังไม่ได้พูดเรื่องอยู่ในใจของเรายังไม่รู้เนี่อลออรู้แล้วอ่าทีนี้สาหรับมลายิกาเนีสํสำหรับมลาอานะิาากาเนี่ยถ้าเราคิดดีเนี่ยก็คิดไม่ดีมลาอิการู้รู้ยังไงรู้ไหมถ้าคิดดีจะมีกลิ่นหอมออกมามลาอิกาอยู่ในตัวเราเนี่ยนะถ้าเราคิดดีคิดสะอาดคิดของดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ย คิดของที่อัลลอฮ์ทรงพอใจเนี่กลิ่นหอมมันจะออกมาที่สำหรับมาลายิก้านะแต่ถ้าหาว่าใครคิดสกรปรกคิดไม่ดีกลิ่นอะไรจะออกมานะกลิ่นเหมน็นกลิ่นเหม็นก็จะออกมาจากเนี่ยนะออกจากร่างของเรานี่มาลายิก้านะแต่สําหรับอัลลอฮ์จะคิดดีคิดชั่วก่อนคิดก่อนที่จะพูดออกมาเนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วอ่านี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่อมาครับ ยาเลมูเซิร์วาอัคฟาอัคฟาแปลว่าของที่ซ่อนเร้นที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ยังไม่คิดไม่ถึงที่มนุษย์ยังคิดไม่ถึงเนี่ยนะอลัลลอก็รู้ออย่างเราไม่รู้วันที่จะมาจะมาอะหรจรู้ไหมไม่รู้นี่เขาเรียกว่าอัคฟาอะซิดรอในความลับที่อยู่ในสมอง ก่อนที่มนุษย์จะพูดอัลลอฮ์รู้แล้วเขาเรียกว่าซิรุนส่วนอัคฟาเนี่ยแปลว่าความซ่อนเร้นหรือของที่ซ่อนเร้นที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่ยังคิดไม่ถึงต่อไปข้างหน้าเขาจะรู้หลังจากมีเหตุการณ์แล้วเนี่ยเพิ่งรู้อ๋อไอเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าอัคฟาเข้าใจนะอัคฟา อาเย็นวันวันวันกิลมัตจะเกิดเมื่อไรแล้วตัวเราเองเนี่ยจะถูกอักเซเดนถูกรถชนเมื่อไรไม่รู้แลาจะตายเมื่อไรบนันกเขาเรียกเรื่องอัควาทั้งหมดแต่ a ล l a h รู้แต่เราไม่รู้นะครับขอบคุณ a ล l a h สุภาณนะวตอันดมีห a ด i ษห h ด d ษอธิบายอย่างนี้นะอัซเซรรมาอัสรตฟีนัปซิกสิ่งที่ท่านเก็บไว้ในใจของท่าน และยังไม่ได้เล่าให้คนฟังอัลลอฮ์รู้อัคฟามาลำตัวฮัดดิสบีฮีนับซักสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านของที่ยังไม่เกิดน่ะอัลลอฮ์รู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยจะป่วยเมื่อใดจะถูกรถชนเมื่อใดหรือจะมีแอ็กเซเด้นท์เมื่อใดเราไม่รู้ตัวเองแต่อัลลอฮ์รู้แล้วนะครับฉะนั้น อ, อาย่า น, นี้เตือนให้เรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตะตะฮะ ยงเดือด r a ม a d เนี่ยนะต้องคิดสะอาด น, นะอย่าคิดสกปรกนะเอาต่อมาอายะที่ปดอัลลอฮุลอิลาฮิลลาหุเลหุลอสมาอุลฮุสนาอัลลอฮุลลอิลาฮิลลาหุเลหุลอสมาอุลฮุสนาพระองค์คืออัลลอฮ คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์คืออัลลอแ์ลักษณะอัลลอฮ์มีอยู่เท่าไรคุณลักษณะของอัลลอ์มีอยู่เท่าไหร่นะ9 9กาพระนามเราเรียนกันมาแค่20ดีไหมดีหลำอยู่แล้วจะ่างขาดอีก80มกมก็ต้องเรียนต่ออีกจนน้าเรียนจนกว่าจะตายนั่นแหละนะตัวย่อเรานะ่ะเป็นห่วงเราเองท่องแค่20ก่อนแต่ต่อมาก็ไปเรียนต่ออีกนะ มไม่ใช่ะยอยสาวยี่สิบนะพอนั่นไม่ใช่ให้ไปเรียนต่ออีกขึ้นต้นขึ้นต้นไว้ก่อนอัปยี่สบเด็กๆอป 20, ัปยี่สิบไปเรียนต่อเอาในมหาวิทยาลัยอีก8ปดสิบอัลลอฮูเลอิละอิลพระองค์คืออัลลอฮ์อัลลอ์มีกี่องค์ละอิลาห์อิลาหไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากอัลลอ์ นะครับท่านคนที่กล่าวคำนี้เนี่ยอัลลอ์ยิ่งยยใหญ่ไซนาอุมัติรับอิสลามกล่าวคำนี้แหละลออิเลฮะอิลลัลลอฮและมุสลิมทุกคนทั่วโลกต้องกล่าวคำนี้ทุกวันนะลาหุลอัสมาลุลฮุสนาลาหูแปลว่าของพระองค์เป็นของ allah อัลลอฮ์เเหมือนกันอัลอัสมาุลฮุสนานามหรือว่าพระนามอัน อันดีงามนามที่สวยงามงามที่ภัเราะก็เป็นของอัลลอ์ทั้งหมดอีกเท่าไรเก้าสิบเก้าพระนามเป็นของอัลลอ์หมดเลยที๋นี้คนอาหรับสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจอัลลอิ์ผิดๆเยอะทานนาบีบอกว่าอัลลอ์มีองค์เดียวแต่มีบางวันเนี่ย นบีมุ hammad ไม่เรียกอัลลอฮ์เรียกอัรลอฮ์มานนี่ก็แปลว่าอัลลอฮ์เหมืกันแปลว่าอะไรนะผู้ทรงเมตตาคนอาดับมุชลิกีว่าห้าห้นี่มสององค์ไปแล้วเมื่อวานนี่กล่าวว่าอัลลอฮ์วันนี้นบีพูดอัลลอฮ์มานอ่ะสององค์เขาไม่เข้าใจแะนั้นอัรลอฮ์มานี่เป็นอะไรนะ เป็นสิทธิ์นะเป็นคุณลักษณะขอ ง, Allah. Allah งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งไรนะทรงเมตตาแบบกับเราได้ยินก็่ามุฮัมมัดเครมุฮัมมัด阿เครออชื่อชื่อชื่อชื่อชื่ อ, อ, อ, อเครต่อยมวยเกง่งนั่นเป็นสิทธิ์ของอลีเคไม่ใจะชื่ออลีเครเหมือนกันอัลลอ์ชื่อว่าอัลลอ์แต่มีสิทธิ์อีกเก้าสเก้าพนาม หนึ่งใน99้าก็คืออรัรลอ์มานแล้วก็มีอีกอัลรหฮม อ, อ, อ, อ, อ, อัลกุดูสกตัมอีกมาอีกเยอะแยะอีก99าพระนามจากนั้นนบีเลยสอนบอกว่าใครที่ท่องจำนะครับอัสมาอุลฮุสนานามอันสุนทอนทั้งหลายของอัลลอ์เนี่ยนะท่องให้จํำเข้าไปสวรรค์ อยากไปสวรรค์ไ้มล่ะเอาฉากไปสวรรค์ก็ท่องชื่อของอัลลอฮ์ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะต้องเข้าใจความหมายของชื่อแต่ละชื่อละชื่อละชื่ อ, ลอแล้วก็เอาสิ่ัตเหล่านั้นน่ะมาเก็บไว้ในตัวของเราเยอะๆเอาเช่นอัลลอ์ทรงอะไรนะทรงเมตตาเอาลักษณะนี้มาไว้ในตัวบ้างเมตตาคนสงสารคน อัลลอฮ์ทรงลงโทษอาจจะเป็นลงโทษใครๆเยอะแหละลงโทษคนที่ทําผิดบ้างก็เรียกน้อยแค่เอามือดีดหูมก็เจ็บแล้วชไอ้เอาเมียลงทำทำโทษเมียได้ไหมนันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เตือนกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะอัลลอฮ์ุล่าอิลลัลลอฮฺพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น ละหุลอัสมาุลฮุสนาของพระอมของพระอมก็คือพนามอันสุนทรสุนทรนี่แปลว่าดีสุนทรแปลว่างามสุนทรแปลว่าไพโรยิ่งเระเรยิยิ่งดีงามยิ่งนะอะต่อมาครับอายาทิายาทิจาว ว่ากะอ่านค่ะแปลว่าและอ่านค่ะแปลว่ามหาท่านฮัตติแปลว่าเรื่องราว มูซาเรื่องราวของมูซาเนี่ยได้มีมาแก่สู่เจ้าไหมคุณนี่เคยรู้เรื่องเรื่องราวหรือประวัติของมูซาบ้างไหมเนี่อัลลอฮฺถามใครถูกไหยถามท่านนาบับีแล้วก็วันนี้กําลังถามพวกเราที่อ่านคุณอานนายา น, นี้ว่าเราเนี่ยเคยรู้เรื่องประวัติเรื่องราวที่ไปที่มาของมูซาบ้างไหมเนี่ยกูอ่านใช่ยัง กูอานสอนเราเป็นนักอ่านใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อายานี้สอนเราเป็นนักอ่านนักคนนักวา่านะครับประวัติของใครประวัติของนบีมูซาอะเลฮิสซลาเราต้องเรียนเยอะนะต้องเรียนสุนทรผู้อยู่ใช่ไหมต้องเรียนประวัติของนบีอีกใช่ไหมนบีมูซานาบีมุฮัมมัดนบีอะไรนบีนัว อย่างน้อยอีกยี่สิบห้านบีเราต้องเรียนแล้วก็บุคคลสําคัญของโลกอีกต้องเรียนไหมต้องเรียนทั้งมุสลิมมาใจมุสลิมต้องเรียนหมดเลยแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติของฟาโรด้วยใช่ไหมผู้เป็นศัตรูของนบีมูซาก็ต้องเรียน เ, เรื่องพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเรียนอีกนี่มีสักสองสามอาทิตย์เนี่ยมีคนอินเดียคนหนึ่งเนี่ยเขาทำรีเสิร์ช มาถึงวิจัยเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งคุยกับผมก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามีภรรยาสี่คนมีลูกสี่คนใช่ไ้มผมรู้สบาพระพุทธเจ้าเนี่สอนเรื่องอัลลอ์ด้วยอ้าวเราไม่เคยจะยินแ้วก็บอกวความรู้ที่มาถึงประเทศไทยนะแค่เล็กๆน้อยๆอา้าวทำให้เรางงไปใหญ่เขาบอก สิทธาเนี่ยสังเกตท่า น, อนนอนน่ะนอนตะแคงขวาเหมือนนบีมอมัดอ้าวิ่งไปกันใหญ่เลยใจก็จริงวยใช่เลไม่ใ ช, ใช่ที่สงขาเลว่านอนตะแคงขวาเขาเรียกอะไรนะฮะุทธย า, ยา ใ, ชใช่ไหมแลนอนท่า น, นี้ด้วยนบีคุมบายก็สอนเหมือนกันเป็นข้อเตือนใจหลายๆอย่างก็ศึกษาไปศึกษาไ ป, าไปาใช่มอ ย, ย่าหยุด ศึกษาไปก็อิหม่ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาเจนี้มาประวัติของน บ, บีมูซาสักนิดหนึ่งอ่านนะประวัติของน บ, บีมูซาเป็นอย่างงี้น บ, บีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ได้เลือกน บ, บีมูซาแต่งตั้งน บ, บีมูซาเพราะน บ, บีมูซาเป็นคนที่สะอาดจากการชิริกต AH. ่ออัลลอฮ์นบีมูซาไม่ทำชิริกมุสลิมไม่ทำชิริก นบีมูฮัมหมัดไม่ทำชิริกและพวกเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดไม่มีใครทำชีริกนี่อัลลอฮ์เลือกให้เป็นมุสลิมฉะนั้นนบีมูซาอัลลอฮ์เลือกให้เป็นนบีและเป็นรอซูลด้วยแล้วก็แต่งตั้งให้นบีมูซาเนี่ยให้เป็นนบีนบีกับรอซูนตกต่างกันนิดนึงนะรอซูลเนี่ยแปลว่ามีคำพีมา สอนมาสอนด้วยจะมีคำภีติดมือมาด้วยส่วนนบีเนี่ยมาสอนศาสนาอย่างเดียวโดยไม่มีคำภีติดมือมานี่เขาเรียกว่านาบีส่วนรอซูลทำหน้าที่สอนศาสนาแล้วก็มีคำภีติดมือมาถามคำภีอะไรคำภีเตารอนนะครับเรื่องเรื่องที่สอง นบีมูซาอะลัยฮุสสลามเนี่ยนะตอนตอนตอนเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆนะตอนเล็กๆเนี่ยเป็นไงที่มันตอนเล็กเนี่ยกษัตริย์ฟาโร่เนี่ยประกาศบอกว่าปีนี้แต่หาใครคลอดลูกผู้ชายนะฆ่าหมดส่งทหารไปสำรวจดูไปเช็คดูว่าใครท้องคลอดลูกเป็นผู้ชาตายตายตายตายตายตายหมด แล้วสำหรับคุณแม่ของนบีมูซาคนเดียวที่ท้องแล้วท้องไม่ใหญ่ไม่สังเกตไม่รู้แลวมองใส่เสื้อเนี่ยไม่รู้เลยว่าท้องอะ่ะนี่เราปกป้องไว้คนเดียวครอบครัวหนึ่งนะมีอยู่คนเดียวคือมูซานี่แหละแม่ของนบีมูซาคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็กลัวว่าทหารจะมาจับได้แล้วก็ฆ่าลูกของตัวเองให้เสียชีวิต เอาล่อได้เขาเรียกวะฮีนะโดนใจให้นางนี้เอาลูกเล็กของนางนั้นใส่หีบแล้วก็เอาหีบเนี่ยลอยน้าแล้วก็หีบใบนี้ก็ลอยไปถึงในแดนพระราชวังของฟาโร่ไปติดอยู่ แ, แถวพระราชวังนั่นแหละแล้วก็คนเห็นก็เอาหีบเนี่ยขึ้นไปไว้บนพระราชวังพอเปิดหีบครับ ภรรยาฟาโรห์เห็นเด็กชอบเลยอัลลอฮ์ ก, กาหนดมางานนี่พอชอบเด็กปับ๊บเน่ก็แจงฟฟ้งให้ฟาโรห์รู้ว่าเราได้เด็กแล้วมาคนหนึ่งฟาโรห์ฆ่าฆ่าฆ่ า, าพอออกคำสั่งไว้แล้วก็มีวิญยาณฆ่าเอาเก็่ไว้เป็นลูกของเราไวแล้วกันสิ่งที่ประหลาดมากที่สุดที่อัลลอฮ์กำหนดให้กมูซาไม่ให้กินนมใคร ร้องร้องร้องร้องภรยาโมซาภรยาฟาโรเมื่อรักแล้วใช่ไหมก็อยากจะหาให้มูซาได้กินให้กินได้กินนมหาแม่นมมากี่คนกี่คนมูซาไม่ดื่มนมจนกระทั่งพี่สาวของาพี่สาวของนบีมูซาเองเนี่ยแม่สั่งไปสังสกดรอดดูสิ พอเข้าไปแนะนำบว่าฉันมีแม่นมแล้วเอามันนมมาให้กินนมเอาไหมเขาบอกเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยแล้วก็ไปพาแม่ตัวเองมาพอมาอุม้มกินนมกินเงียบเลย <c oughs> เห็นอย่างนี้เรากําหนดเห็นอย่างคนอื่นมาให้นองกินรองลองลองลองลอ ง, องไม่กินไม่กินไม่กินไม่กินไอคนผู้จะเป็นแม่บุญธรรมก็ยิ่งกลัวใหญ่นี่ลูกฉันจะตายเอาแล้วอัลฮัมดุลิลละแม่มาสมัครเป็นอะไร เป็นแม่บุญธรรมได้เงินเดือนด้วยได้อยู่ในวังด้วยได้กลับไปเที่ยวบ้านด้วยอะไรก็ตามแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่มูซาอายุได้สองขวบอายุได้สองขวบเสร็จแล้วก็อายุสองขวบต้องทิ้งนมใช่ไหมอ่ า, อายุสองขวบก็ทิ้งนมพอทิ้งนมเสร็จแล้วก็ฟาโรก็อุ้มลูกตัวเองเลนะลูกบุญธรรมนะ่ะเอามาไว้ไว้เอาไว้บนตัก โมซาเนี่ยเอามือจับเคราฟาโรแล้วก็ตบหน้าเพี้ยยางแรงอัลลอฮ์าอายุสองสองขวมตบได้ยังไงอะัลลอฮ์กำหนดมางานนี้ฟาโร่ลมขึ้นเลยนี่มันเด็กหรืออะไรกัเนี่ยดึงเคราอย่างแรงแล้วก็ตบเพี้ยมาที่หน้าเก็บหมาโกรธเลยไปเอามีดมาจัดการพระยาว่าลูกเราลูกเรา ลูกอะไรอย่างเงี้ยดูที่มันจับข่าวแล้วตกหน้าแรางๆเนี่ยมันไม่ใช่ลูกแล้วเสร็จแล้วฟาโรห์ไม่ยอมอ่ะพญาบอกฉันจะทดสอบดูนะเด็กจะมีปัญญามีมีปัญญาเดี๋ยวฉันจะจัดโทษทห้ก็ไปเอาถ่านมาถ่านไฟร้อนๆเนี่ยใส่ถ้วยถ้วยใบหนึ่งแล้วไปเอาเพชรกับพลอยเพชรพลอยมาใส่อีกถ้วยอีกถ้วยหนึ่ง มันก็แดงทั้ ง, งคู่นั่นแหละไอ้ไฟเนี่ยก็แดง mm hmm. เพชรพลอยมังก็สีแดงก็ mm hmm. เ, เอามาวางไว้ต่อหน้ามมซาให้มมซาจับโมซาก็ยื่นมือจะจับเพชรพลอย mm hmm. พอยื่นมาเนี่ยยิบร mm ีหออะไรทีสลาเป็นไตเตอร์กำกับอยู่จับมูซา mm hmm. ให้เอามือไปจับที่กองไฟแล้วเอาใส่ปากปากนบีมมซาพ่องแล้วก็พูดไม่ชัด ตัวทัางโตเป็นหนุ่มแล้วผมชอบตรองที่ว่ายิบรีนอะไรกีเซรามทํางไงนะจับมือมูซาให้ไปจับไฟแทนที่จะจับเพชรพลอยอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์วางแผนไว้ทั้งหมดนี่เป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะเล่าให้ฟังเพลิงเล็กเลน้อยก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะเรื่องนบีมูซาทีนี้พอนบีมูซาโตเป็นหนุ่มอ่าเล่าอีกนิดหนึ่งโตเป็นหนุ่มอยู่ในพระราชวัง เรียนรู้เรื่องอะไรการปกครองจากฟาโร่เยอะมากอะ่ะรับรู้แล้วก็แข็งแรงฉลาดน่าดูเลยแข็งแรงด้วยฉลาดด้วยนะแล้วก็ได้ยินฟาโร่พู้เรื่องการปกครองบังเบือต่อท่านอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มมซาฟังหมดเรียบร้อยหมดมีอยู่วันหนึ่งมมซาเนี่ยตอนเป็นหนุ่มก็เข้าไปในเมืองคือที่อียิปต์มันมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มบันีอิสราเอลเป็นทาส เป็นคนยากคนจนถูกกดขี่จากฟาโร่ฟาโร่เนี่ยเป็นคนอียิปต์เดิมๆเป็นพวกติฟตี้แต่มาเป็นคนอียิปต์เดิมเลยพวกนี้ก็วางอำนาจเป็นนักปกครองอะ่ะจนอิสาราเอลก็เป็นเป็นคนชั้นถูกปกครองก็ถูกกดขี่มาตลอดอิสาราเอลกับพวกอียิปต์เดิมสองสองกลุ่มเนี่ยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ตะโกนหาคนช่วย ในบีมูซาเดินมาพอดีก็เข้าไปช่วยช่วยบารีอิสโลอีนต่อยเล่นๆตายที่ว่าตายเพราะแข็งแรงมากเป็นคนหนุ่มที่แข็งแรงมากแค่ต่อยเพราะต่อยตายเลยอะเรื่องไปถึงฟาโรฟาโรต้องการประกาศจะจับตัวมูซามูซาต้องอพยพหนีออกจากประเทศอียิปต์ ไปยังเมืองมัดยันมีมัดยันอีกเมืองหนึ่งนะพอไปถึงเมืองมัดยันเนแล้วไปอยู่อีกอีกต่างอีกอีก ต, ต่างประเทศพอไปเสร็จแล้วก็ไปเจอผู้หญิงสองคนกําลังเอาน้าให้แกะแต่ยังตักน้ามไม่ได้ก็รอคนคนมาตักกันเยอะเอาน้าให้สัตว์ให้สัตว์ให้สัตว์แต่ผู้หญิงสองคนเนี่ยนบีมูซาก็ไปช่วยนะครับเอาน้าเนี่ยให้สัตว์ของผู้หญิงสองคนนี้ ให้กินอิมเสร็จแล้วก็ปิดประบุงปอบบอเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปบ้านผู้หญิงสองคนนี้เป็นลูกสาวของนบีช่วยอัลัลย์ฮุสสลามแล้วก็ต่อมาลูกสาวเนี่ยเล่าให้พ่อฟังว่าวันนี้เราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแข็งแรงมากช่วยเราตักน้ำให้สัตว์กินถึงกลับมาบ้านว้ยมากเลยวันนี้คุณพ่อบอกว่าเอาลูกสาวคนหนึ่งเธอไปตามมา ไปตามคนหนุ่มคนนั้นมาลูกสาวไปคนเดียวพอไปเสร็จแล้วก็ไปตามมูซามามูซานนั่งอยู่โคนต้นไม้นั่งรออะไรกระตาสักอย่างหนึง่งบอกว่าคุณพ่อต้องการส่งฉันมาเชิญท่านให้ไปไปเยี่ยมพ่อฉันแก่ชาราแล้วอายุมากแล้วมูซาก็เดินไปคนสองคนรู้ไหมตอนเดินนบีมูซาเดินยังไงหญิงคนผู้ชายคนเขาเดินยังไงนี่ยังไม่ได้เป็นนบีนะ นบีมูซาเดินข้างหน้าแล้วผู้หญิงเดินข้างหลังเอาความรู้ที่มาจากไหนอ่ะคนที่ให้ผู้หญิงเดินข้างหลังเรียกว่าชาคนนั้นนะมาเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้นี่ยขาจะให้ผู้หญิงเดินหน้าแล้วตัวเองเดินตามหลังก็ได้มองเชิไปด้วยอ่าหุ่นยังงั้นหุ่นอย่างนี้นนนใช่ไหมนั่นผู้ชายเจ้าชู้แต่นี่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดี เข้าใจคุณธรรมมีอีมานยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ใจมันมาแล้วแหละฉันขอเดินข้างหน้าเธอเดินตามหลังฉันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ผู้หญิงบอกก็แล้วกันก็เดินไปถึงบ้านของผู้หญิงคนนี้หลังจากทักทายกันกับเจ้าของบ้านแล้วต่อมามารู้ว่าเป็นนบีชื่อนบีชูฮัยบอลัยฮิสซาลา พอเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่หนีออกมาจากอียิปต์รู้เปล่าท่านนบีชอีฟพูดบอกว่าลาตาขอบเรื่องของคุณทั้งหมดนั้นคุณไม่ต้องกลัวอินนากันนเจ้าแต่มีนลกเมีรอและมคุณจะได้รับความปลอดภัยจากพวกที่อธรรมนี่เป็นคําพูดของนบีชอีฟเป็นคำปลอบใจที่ดีที่สุดคําสัญญาเป็นอย่างนี้นบีชอี ประกาศบอกว่าฉันมีลูกสาวสองคนฉันต้องการที่จะให้ลูกสาวฉันนแต่งงานกับคนขึน้นคนหนึ่งคนใดก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องทำงานโดยลูกการโดยลูกสาวเสนอบอกคุณพ่อจ้างคนนี้นะ่ะชื่อมมซาเนี่ยเอาไว้ทำงานที่บ้านเราดีกว่าพ่อเป็นคนที่แข็งแรงและเป็นคนดี พอถามว่าดียังไงอะ่ะก่ตอนเดินมาจากกับฉันสองคนเนี่ยไม่ได้จีบฉันเลยเดินข้างหน้าฉันเดินข้างหลังดีมากๆเลยเรื่องคุณธรรมฉันหนึ่งแล้วก็แข็งแรงรู้ได้ไงว่าแข็งแรงพ่อก็ถามลูกสาวอะ่ะดีด้วยแข็งแรงด้วยไอดีนะ่ยรู้แล้วก็เดินอยู่ข้างหน้าฉันแลวแข็งแรงล่ะโอโหเ็เอาน้ำตักน้ำมาให้สาดกินเนี่ยฉันไม่ต้องช่วยก็ททำคนเดียวหมดเลย เพราะว่าจากนั้นพ่อก็เออเอาเอ้ เ, อ เ, อเอพ่อก็เลยเสนอเพราะ ว, ว่ามมซาเอาอย่างนี้คุณอยู่ทํางานกับฉันสักแปดปีฉันจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับคุณคนหนึ่งคนใดเลือกเอาคนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ครบสิบปีก็ดีนบิ๊กซาก็บอฉันขอทํางานครบสิบปีพอทํางานครบสิบปีแล้วนะนบิ๊กโมซาก็แต่งงานกับลูกสาวแล้วก็เดินทางกลับประเทศอียิปต์ หลังจากครบ10ปีไอ้คำว่า10ปีเนี่ยรัฐบาลไทยพอเอามาใช้ใครที่หนีทหาร10ปีก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ใชหรือเปล่าหมดนะมันใครคิดจะหนีทหารต่อสิบปีนะต้องไปอยู่ต่างประเทศนะสิปีแลกลับบ้านก็ปลอดภัยนี่มันใช่ยุให้หนีทหารแล้วนะอนทีนี้เราหวางที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยในตัฟซิดอธิบายว่ามีภรรยาคนหนึ่งแล้วก็มีคนติดตามอีกคนหนึ่งเป็นคนรับใช้มาถึงมากัน3มคน ตอนกลางคืนหน้าหนาวหลังจากที่ถูกจะกลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวนะระหว่างทางระหว่างทางเดินมาเนี่ยมันหนาวก็เห็นไฟเห็นไฟมันหนาวด้วยก็เห็นไฟก็อยากจะบอกภรรยาเธอนั่งอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้แหละฉันจะไปที่ต้นไม้มันมีไฟขึ้นตรงนั้นนะ่ะจะไปเอาไฟนี้มาเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งสําหรัแบคบรอบครัวเราสองสามคน พอเดินทางไปถึงที่ไฟตรงนั้นแหละก็ได้ยินเสียงของอัลลอ์พูดกับนบีมูซาตรงๆเรียกว่าเขาเารียกกาลิมกาลีมุลลนบีมูซาเป็นคนหนึ่งที่อัลลอ์ตัดตรงๆกับนบีมูซาไม่ผ่านอะไรเลยเรียกว่าไงนะยามูซามูซามองอ่ะอะไรกันเนี่ยอยามูซามูซาเอ้ย อย่างนี้เป็นต้นนั่นนบีมูซาถูกแต่งตั้งขณะที่เดินทางกับประเทศอียิปต์ขณะที่เดินทางกับประเทศจะต้นเวลากลางคืนนี่เล่าประวัติขนบีมูซาเพียงย่อๆแค่นี้นะอามาดูกุรอานนะครับทีนี้นบีมูซาเนี่ยนะได้เดินทางกับ กลับบ้านนะครับเพื่อไปหาฟาโร่อัลลอ์ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยให้มั่วอจีศาตหลังจะแต่งตั้งแล้วมั่วอจีศาตแปลว่าปาฏิหารนะปาฏิหารหรือเรียกภาษากรออะไงนะมั่วอจีศาตนะให้มั่วอจีศาตนบีสองสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งให้ให้ไม้ ไม้ลายน้ไม้ถือไม้ตะพดนี่ไม้ถือนะครับของนบีมูชาที่ใช้ยันและตีพุ่มไม้ไว้เลี้ยงแก่เนี่ยกลายเป็นงูเลื้อยได้นี่มโหิถาษข้อที่หนึ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับ น, นบีมูชาก็คือไม้ถือของนบีมูชาเนี่ยทำหน้าที่สองอย่างคืออะไรนะใช้ยันสองใช้ตีต้นไม้ไอพุ่มไม้เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยเอาไว้เลี้ยงแก่ สังเกต น, นะนบีทุกนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นรอซูนนี่นะมีอาชีพเลี้ยงแกะด้ยการเกือบทุกคนอาชีพเลี้ยงแกะนะทําไมต้องเลี้ยงแกะทาไมไม่เลี้ยงอูดอนะ่ะคนที่อยู่กับอูดเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแต่อยู่กับแกะหรือแพะเนี่ยขยนันเพราะว่าแกะเนี่ยแพะเนี่ยมันอะไรมันส้น ไปนู่นมานี่มานี่มานั่นไอ้คนเดินตามแก่เนี่ยฉลาดหมดใช่นะแต่เดินตามอูดม่เคยฉลาดเท่าไรนะอย่างพวกเราเดินตามควายอย่างนั้นอย่างนั้นแหละใช่ไหมนี่ถ้าความคิดไม่เปลี่ยนสภาพจากนามาเป็นเนี่ยเป็นควายกันเยอะขอโทษไม่ใช่หัวเป็นควายก้นนะเอาอักราควายมาใช้กันเยอะไม่เอยฉลาดรหรอกทำดูแลเนี่ยเราอะไรเมตตานะฉะ่ด้านข้อคิด ที่ท่านนาบีมูซาอะไหรฮิซลามเลี้ยงแพะได้ข้อคิดอะไรคนที่เลี้ยงอูดนบีอยู่มากาณอูดเต็มไปหมดแต่นบีไม่ได้เลี้ยงอูดเพราะอะไรเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยคุยเรื่องนบีมุฮัมมัดข้อหนึ่งก็คือนบีมุฮัมมัดเนี่ยตอนอยู่กับเยี่ยมประชาชนตามตามบ้านเนี่ยนบีจะขี่อะไรใชมไหมขี่อูดเอ้ไม่ใช่ขี่ลาเดินเยี่ยมประชาช น, นขี่ลา ถ้าจะเดินทางไกลๆสมัยก่อนเครื่องบินไม่มีชายอะไรแทนนะชายอูดเดินทางไกลถ้าจะออกไปสงครามเนี่ยชายอะไรชายม้าชายขึ้นไปรับอุหีจีบอาราชของอังรอมบัลลัมบัลล็อบบลงมัใชัยพาช้างได้เจ็ดชายอะไรนะบุรอกเห็นไหนมตอนี้พวกเราเนี่ยที่ประกาศตัวว่าเป็นก็คือชาวซุนนาเนี่ยนะ คนที่ต่อต้านเขาบอกเอ็งพูดจะซุนนาซุนนะทําไมไปทําร์ดทำไมไม่ขี่อูดไปล่ะเขาบอเอ็งเอาทรายมาอูดสิเอาทะเลทรายมาอุดจะขี่อูดให้ดูนี่เป็นคําตอบที่เล่นเล่นเล่นเล่นลิ้นกันนะนะอย่างนี้เป็นต้นเอาตัลงว่านับีมูซาอะไลฮิสซาลาเมนอัลลอฮ์มอบมุอาจิฎก่อนที่จะไปหาฟาโรน่ะกี่เรื่องนะสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง ไม้เท้าที่นบีมูซายันแล้วก็ตีพุ่มไม้ไว้เลี้ยงแก่เนี่ยกลายเป็นงูเลื้อยได้ข้อที่สองครับท่านชักมือออกมาจากอกเนี่ยชักมาจากอกนะกลายเป็นมือสีอะไรสีขาวไม่มีโรคใดๆมือขาวที่เป็นมงกิจดาชสองข้อที่อัลลอฮ์มอบให้กับนบีมูซา ท่านอบิมูซาอาตาฮิสลามได้รับคำสั่งให้เดินทางไปหาฟาโร่ร่วมไปทำอะไรเพื่อสอนนะไปหาฟาโรเพื่อสอนแล้วก็เพื่อปลดปล่อยวงวานของอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์านบิมูซามีเรื่องอยู่สองเรื่องที่เอา ล, ลอสั่งห้ บ, บิมูซาไปหาฟาโร่คำสั่งว่าอย่างงี้ อิซาบีลาฟิราวนะอินนหุตอโมซาเอย๋ยฉันแต่งตั้งคุณให้เป็นนบีแล้วนะฉะนั้นจงเดินทางไปหาฟาโรเพราะฟาโรนั้นเป็นผู้ที่ต่ทรยศดื้อดึงต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه ละะลฉะนั้นนบีมูซาไปสอนฟาโรเนี่ยเพื่อไปสอนนะ สอนเรื่องเนี่ยเรื่องรู้จักอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى เรื่องที่สองเพื่อไปปลดปล่อยวงวานของอิสรามอินอิสลามอินเนี่ยต้องสํานึกตัวอัลลอฮฺเยอะๆวันนี้อิสลามอินอัลลอฮฺคนดีก็มีแต่สวนยายก็สร้างความเดือดร้อนเต็มไปหมดใช่ไหมท่านึกถึงนบีมูซาจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺนะเมื่อก่อนนะั้นเป็นทาสเขานะนะตกเป็นทาสจาก ในในในในในอียิปต์แต่ตอนนี้อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์มีเงินมีทองเยอะปกครองคนทั้งโลกแทนที่จะเอาเชิญคนนี่ให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ทําความดีกับเชิญชวนคนให้ถามความผิดจนนั่งกดประกวดนางงามมาจากใครเยโฮดีทั้งหมดเลยของเร็วๆมจาจากเยโูดีทั้งหมดสงครามการตามเมืองต่างๆเนี่ยโดยการยุยมกับพวกเยโฮดีทั้งหมด ใช่ไหมแต่ไม่หมดกับทุกประเทศนะฝีมือใครแต่ก็ต้องนึกถนาเราอ่านกูนอ่านนั้นกุนอ่านสอนอย่างงี้อินน่าอัชัดดันนัสอาดาวาตันลิลละีนาอามานุฮุวลยอหูดวัลละีนาอัชระกูแท้จริงศัตรูนะครับของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเป็นคนดีนะคือใครคือยอหุด วันละดีนะอาเลกูละบาคนที่ตั้งพาคีกั บ, บัรรลอดทั้งหมดถูกจูงจะหมู่ง่ายที่สุดโดยยโฮดีท่านต้องพี่น้องต้องอ่านกรูรอ่านเยอะๆแคนั้นยโฮดีไม่ต้องการอยากจะให้คนเนี้ยอ่านอัลกรุรอานไม่อยากให้คนอ่านอัลกรุรอานเพราะอัลกรุรอานนั้นเล่าเรื่องราวของยโฮดีไว้เยอะในคัมภีร์กรุรอาน นะครับท่านมัตาร์ซาต่างๆในโลกนี้นะจะถูกยับยั้งไม่ให้เปิดยิ่งในปากีอินเดียนั่นเป็นโรงเรียนที่เข้มสอนศาสนาเองอ ย, ย่าอยู่เลยถูกปิดปากีสถานถูกปิดคนที่จะไปเรียนหนังสือเีนศาสนาที่นั่นเองไปไม่ได้นอกจากหนีอยู่นะครับอาต่อมาครับนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยได้ขอร้องได้ขอดุอาต่อละให้มีผู้ช่วย อีกคนหนึ่งพ่อตัวเองอัลลอฮ์ก็นี่ขอจากอัลลอฮ์ะนะขอผู้ช่วยคนหนึ่งแล้พูดจาไม่ชัดเพราะอะไรอ่ะเพราะไปกินทานเนี่ยเอาทานใส่ปากใช่ไหปากเลยก็พูดพูดจาไม่ชัดขอให้พี่ชายอีกคนหนึ่งได้เป็นผู้ช่วยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับฉะนั้นนบีมูซาก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อฮารูนอะ ล, ลัยฮิสสลามเอาต่อมาครับ อัลลอฮ์ได้สั่งให้นบีมูซาแัะนบีฮารูนเนี่ยเวลาไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกนี่อัลลอฮนะ์สั่งนะสั่งนบีมูซาคนที่ดีที่สุดในโลกกับฮารูนคนที่ดีที่สุดในโลกไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกเนี่ยเอาคนดีกับคนเลวมาอยู่รวมกันอัลลอฮ์สั่งมูซาว่าไงรู้ไหมฟักูละละหูกาลันไลยนินัน สองคนนี้จงพูดจาดีๆไล่ ย, ยิน่นแปลว่า polite ไล่ ย, ยิ่งแปลว่านิ่มนวลสั่งมูซากับฮารูนไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกนับเบอร์วันของความเล็วเลยนะไปพูดจาอย่างไงใช่ไหมพูดจาดีๆเห็นยังครับกนรตังการสอสานาต้องพูดดีไว้ก่อน อย่าไปด่าด่า ด, า ด, าดาโอ้ด่าเนี่ไม่สําเร็จนะจะนั้นพูดดีๆใช่ไหมนี่อลัลลอฮ์สั่งนะสั่งกะฮารุนสั่งกับนบีมูซาฟั ก, กูล่ากุลกูล่าเธอสองคนนี้จงพูดเต้าหลันคําพูดที่ลายนั้นคําพูดที่ไพเราะคาพูดที่ดีๆให้กับคนสองคนนี้นะครับเอาเล่าก่อนนะฟรอนต้องการ เมื่อฟาโรเมื่อนบีมูซากับฮารูนไปถึงประเทศอียิปต์แล้วเข้าพบแล้วก็คุยกันนะฟาโรต้องการให้สแสดงปาฏิหาริย์มวยอจิจาตท่านนาบีมูซาก็สแสดงเลยสแสดงให้เห็นก่อนเนียนะเอาไม้ตะพูดไม้ตะพดเนี่ยโยนกลายเป็นงูลเลื้อยได้ให้ฟาโรเห็นก่อนเลย อันที่สองชักมือออกทางหน้าอกยกมือขึ้นมือเป็นสีขาวพอนาฟาโรเห็นอย่างนั้นฟาโรห์นึกว่าเป็นมายากลเพราะประเทศอียิปต์วันนั้นเนี่ยนักมายากลเต็มประเทศเลยนักมายากลเต็มประเทศเลยมายากลมาทำไงรู้ไหมเขาสามารถเสกเชือกให้เป็นงูสามารถเสกเสกเชือกเนี่ยเอาเชือกมาแล้วนําเสกเสกเสกลงกระเป๋าพูด กลายเป็นงูเลยฟาโรประกาศเลยนะประกาศว่าไงนะได้ชุมนุมพวกมายากรทั้งหลายพวกมายากรทั้งหมดเนี่ยเชิญมาทั่วประเทศเลยเขาก็มากันก็มีการนัดกันนะนัดนัดว่าใครจะแน่ก่อกันแต่นัตคุรานพูดว่านะพวกมายากรเนี่ยพวกเขาเป็นพวกจุแดแสดงกลเท็จ แต่ส่วนนบีมูซ่าแสดงปฏิหารมั่วจีด่าโดยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานณอูวะตาลาพวกมายากลจุงสู้ไม่ได้เอาสาเหตุเป็นอย่างนี้เหมือนนัดวันกันพวกมายากลนี่มากันหมดทั่วประเทศมากกเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคนวันนั้นน่ะเป็นแสนเลยนะมานั่งดูมายากลกันนบีมูซาาพอคนมาเยอะเนี่ยก็กลัวน่ะ อานีีมูซากัวาวลาตะขอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววอฮ้ยเลยบอกไม่ต้องกลัวใครโยนก่อนอลน บ, บีมูซาให้พวกคุณโยนก่อนพวกมายากรเนี่ยโยนงูเชือกชกเชือกเป็นงูงูเต็มนสนามเลยส่วนฟาร โ, โรโยนทีหลังอลัลลอบอกเอาโยนโยนโยนอัลกก็อักกยามูซาอินนกฮัยยตุนตัสอาอัลลอฮฺกุรอานอธิบายชัดเลย ขอน บ, บีมูซายโยนมาเจ้พาพดไปพับเนี่ยอ้าปากย่อยอยู่เลยเขาเมือตัวเล็กๆเร็บหมดเลยแล้วเป็นไงครับพวกมายากลทั้งหมดรับอิสลามเชื่อเลยว่านีของน บ, บีมูซานี่ไม่ใช่มายากลนี่เป็นมุอจิจาที่มาจากอัลลอ์ได้รับการอนุมาตจากอัลลอ์ุบฮานูตาล อลาฟังิดหน่อยนะส่วนนบีมูซาอัลฮิสสลามได้แสดงปฏิหารอีกอื่นอื่นอีกเกข้อรวมไปจะไนะไอ้นี่อีกสองสอข้อด้วยกันทั้งปันทั้งหมดนี่เราตลาให้กับนบีซามุอัจยิศาสอีกเก้าข้อเป็นส1อดข้อเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้ฟาโร่เนี่ยหันมานับถืออัลอิสลามมานับถืออัลลอฮ์องเดียว แต่อีกเกข้อทุกครั้งที่นบีมูซานําเสนอนั้นเพิ่มความต่อเพิ่มความอะไรนะพ า, ามเย่อหยิ่งจองหองอวดดีดื้อดึงกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาแหละเอาต่อมาครับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามได้ตักเตือนวงวานอิสรอามให้มีความอดทนนะครับแล้วก็ตักเตือนให้มีความตออ่ออดเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาแหละเอาทีนี้ เรื่องเรื่องเรื่องมันยาวเวลาก็จะหมดอะดูดูกุณอานอายาที่เท่าไรนะ11ใช่ไหมฮะอายาที่10นะครับอินรออานารอฟะกาลลิอัลลิฮิฟะกาลลิอัลลิฮิมกุสูอินนีอานะสตุนารอ ละใหِّาติคุมมิหนาบิควบส์หรืออาจูอาเَนาหริหูเ ى อข้อที่สิบตกางจะอธิบายอย่างนี้ระหว่างที่มูซาเดินทางจากเมืองมาดียันไปประเทศอียิปต์อิสราอานารอนเมื่อมูซาเห็นไฟเห็นไฟนะครับ ฝากอ ล, ลิอาลิฮีดังนั้นโมเสกล่าวแก่ภรรยาของเขาว่าอิมกุสูจงหยุดอยู่ที่นี่ก่อนอินนีอา纳斯ตุนารอแท้จริงฉันเห็นไฟแต่ไกลบางทีฉันจะเอาดุ้นไฟจากที่นั่นมาให้แก่พวกท่นานอาัสตูนารอ ละอันลีอาตีกุมมินบกบฉันจะไปเอาดุนไฟดีมาให้พวกท่านเพราะฉันเห็นไฟแต่ไกลๆแล้วนี่คุรอานอธิบายอย่างนี้เอาอาจิดูอาลันนาเรหดารือฉันจะพบหนทางที่กองไฟนั้นก็ได้อาจจะพบอะไรสักอย่างหนึ่งที่กองไฟนั้นก็ได้ี่คุรอานเล่าให้นบีเล่าให้พวกเราฟังเรื่องราวของนบีมูซาอัลฮิสซาลาม ในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้อิกอละมูซาลิอาลีฮิอินนีอา纳斯ตูน่ารอจงดําเรื่องถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่าแท้จริงฉันจะนําข่าวจากที่นั่นแก่พวกท่านฉันจะนําดุ้นไฟมาให้พวกท่านเพื่อท่านจะได้หาความอบอุ่นก็เรียกว่าผิงใช่ไหมเอาความร้อนมาเพราะอากาศมันหนาว ท่านจะได้หาความอบอุ่นจากดุนไฟที่ฉันนำมานี่คุรุอ่านสองอายะอธิบายคล้ายๆกันอาทีนี้มาดูอายะที่ส1บอ็ดนะครับฟาลัมมาอาตาหานูดิยายาโซาขั้นเมื่อมูซาอาตาฮามาถึงที่กองไฟนั้น พอมาถึงเดินมาถึงที่กองไฟเป็นไงครับยามูซามูซาถูกเรียกเรียกว่าไงนะมูซาเอ๋ยใครเรียกท้ายสิอัลลอฮฺเรียกเรียกว่าไงอินเนาะนาโร บ, บุกฟัชละนาไลกาอินนาคาบิล วาดิลโมกัดสิวตัวแท้จริงฉันอินนีแปลว่าแท้จริงอาณาฉันมีสองครั้งนะอินนีฉันแล้วก็ฉันเป็นการเน้นรอบบูกะอะไรคือพระผู้อาภีบาลของท่านอ่าอัลลอฮ์มีสิทธิ์ขั้วคำว่ารอบด้วยนะรอบแปลว่าผู้อาภิบาลผู้ดูแลผู้จัดการผู้จัดสรรใช่ไหม บอพประถมดูแลตั้งแต่ก่อนตายอยู่ในท้องคลอดออกมาก็ดูแลตายในกูโบก็ดูแลฟื้นขึ้นมาให้ลูกอั ก, ก็ดูแลอีกอนารบบูกะอินนีอนารบบูกะแท้จริงฉันเป็นผู้อภิบาลของท่านฟัละอัลล์สัง่งดังนั้นจงถอดแสดงนบีมุซาอีไทยใส่รองเท้าใช่ไหมอ่าใส่รองเท้าถอดจะได้น้าไลกะ ทั้งสองรองเท้าทั้งสองของท่านสองข้างนะไลกันอ่นานบีใส่รองเท้าเราเองก็ใส่รองเท้าผมไปที่ประเทศอินเดียน่ยที่ที่มัจราสผมเดินผ่านร้านร้านหนึ่งร้านขายรองเท้ามัเขียนว่าหน้เลนผมยืนอ่านตั้งห้านาทีหน้าเลนภาษาอะไรกันวะ โอ้มันนึกออกหน้าะไอก่ะแปลว่ารองเท้าสองข้างขายรองเท้าโอ้ใชอัลลอฮ์เอาภาษาคุรานเอาภาษาแบบไปตั้งชื่อร้านนะหน้าเลนนี่มันสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยังจำได้อาจา น, นัอัลลอฮ์สั่งให้ดานบีมูซาถอดรองเท้าสองข้างของคุณออกให้หมดเพราะอะไรอินนากบิลวาดิลมุกัดดซสกว แท้จริงท่านอยู่ที่หุบเขาอันมีความจำเริญแต่ท่านสถานที่ที่มีความจำเริญ น, นั้นห้ามใส่รองเท้าเข้าไปมัสยิดห้ามใส่รองเท้าเข้าเป็นที่ที่มุกตัญัสในตัสซีตอธิบายบอกว่าท่านซาอิดบินยูเบกได้กล่าวบอกว่า สั่งนบีสั่งนะคนที่จะเข้าอาราดอะไยยะตุคุลกะบาถ้าใครต้องการจะเข้ากะบานะปัจจุบันนี้จะเข้าไปข้างในนี่นะต้องทําอะไรนะต้องถอดรองเท้าออกก่อนและเข้าทีหลังการถอดรองเท้าเป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุบฮานาวาะตะลาคำถามว่าต้องถอดรองเท้าทําไมอต้องถอดรองเท้าทําไม ในตัฟซีภาษาอุรุดูผมอ่านเมื่อคืนนี่อลรดีมากก็บอกว่าเพราะว่าหนังหนังรองเท้าเนี่ยทํามาจากหนังสัตว์แล้วก็สัตว์เนี่ยทางทางมุสลิมกินก็เป็นการสัตว์ที่ถูกเชือ้อ้าสัตว์ตัวนั่นมาโดยไม่ได้เชือ้อใช่ไหมน่ะฉะนั้นสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เราแสดงเลยให้สั่งให้ถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้ารองเท้า มันมาจากไมตาทั้งหมดทำดีเลยละดีมากฉะนั้นใส่รองเท้าเข้ามาสยิยตดไม่ถูกต้องใส่รองเท้าเข้าไปในกลามบ้ไม่ถูกต้องเพราะนาบีสั่งให้ถอดรองเท้าตัวนี้เหมือนกันอัลลอ์สั่งนบีมูซาคุณอยู่ในที่ที่สะอาดรู้ไหมชื่ออะไรนะตัวชื่ อ, อไวนะตัวตัวเพื่อภูเขาตัวภูวเขาตัวนะ มีชื่อว่าปัวที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สะอาดชื่อว่าปัวถอด ร, รองเท้าสัตว์อัลฮัมดุลิลละนี่ได้ความรู้นะครับว่าน บ, บีมูซานี่ไม่จะจบปริญญาตรีเจอรปริยาโทรปริยาเอกที่ไหนหรอกนะเป็นคนเลี้ยงแกะธรรมดาละแต่เป็นคนฉลาดมีความจําดีมากแล้วก็แข็งแข็งแรงนะครับจัดใจสะอาดนะเอาวันนี้คุยกันแค่นี้แหละครับขอทุกอาต่อล้อให้การถือสินอดของพวกเรานะ เป็นการถือศีลอดที่อะไรนะที่ได้รับรางวัลตอบแทนจาก Allah. อัลลอฮองคุยนิดหนึ่งนมาตราวีเนี่ยถ้าจะให้ผลบุญของการนมาตราวีเนี่ยเป็นการเป็นผลบุญที่เท่ากับยืนนมาตลอดทั้งคืนน่ะทำยังไงอุเธอทราบไรใช่ไหมทำทําไงต้องยืนนมาตามอิมามตั้งแต่รากาอาจแรกของนมาตราวี ตามบีมามแปดเรากระอัดจบแล้วอย่าเพิ่งออกไปเข้าห้องน้ําให้นามาต่ออีสามเรากระอัดนามาวิเตสตามบีมามสิบเอ็ดเรากระอัดถ้าตามบีมามทั้งหมดผลบุญเท่ากับยืนนมาตอรวิตลอดทั้งคืนเอาได้ไหมเอาเอารอแค่นามาวิเตสสามเรากระอัดจากนั้นเออตามบีมามผลบุญเท่ากับยืนตลอดทั้งคืนเลยนี่ไงความประเริดของอัลลอฮ์ที่บอกผ่านท่านนาับีเเป็นความลับ เผยให้เผยให้รู้ก่อนนั่นนี่นะ่ะโอ้ความลักฉะนั้นนำมาใจคุชูคุชาใจเย็นๆนำมาตามอิหมามดแรกทีละสองสองสองแป 2, 2, 2 8, แล้วกอัดแล้วก็ตามอิหมามอีกสามแกอัดเป็นนำมาวิเตสผ ล, ลบุญถทาก่ายืนนำมาตลอดทั้งคืนครับสุภาพนักอัลลอฮุมมาอุมิห้ามดีกวาอวลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลัลอลัอัลอลัลลอฮ